ท่านพุทธศาสนิกชนผู้ไปธรรม ท, ทุกท่านวันนี้เป็นวันที่สิบสามมีนาคมพุทธศักราช2547ดตรงกับวันเสาร์แรง8ปดท่เดือนสี่เป็นวันพระวันธรรมสวนะวันฟังธรรมการฟังธรรม ที่จะเกิดประโยชน์เป็นมงคลแก่ตนเองนั้นควรฟังด้วยความสำรวมคือสำรวมกายสำรวมวาจาสำรวมใจกายก็นั่งอยู่เฉยๆวาจาก็ไม่ต้องพูดอะไรใจก็ให้ตั้งมั่นอยู่ด้วยสติ คอยฟังเสียงธรรมะที่มาสัมผัสกับใจผ่านทางหูเข้ามาการฟังที่จะให้เกิดประโยชน์ในปัจจุบันเป็นเป็นการปฏิบัติทางเป็นการฟังในเชิงปฏิบัติคือฟังเพื่อความเข้าใจไม่จำเป็นจะต้องคอยจดจำว่าที่ นักที่เทศไปนั้นเทศอะไรไปบ้างเพราะถ้าโมแต่คอยจดคอยจำก็จะไม่เข้าใจในสิ่งที่จดจำแต่ถ้าเราฟังเพื่อความเข้าใจสิ่งที่เราเข้าใจก็จะเป็นสิ่งที่เราจะจำได้ไปในตัวดังนั้นหลักของการฟังธรรมที่ให้เกิดประโยชน์ที่แท้จริงแล้ว ควรฟังเพื่อความเข้าใจเพราะเมื่อเรามีความเข้าใจแล้วเราก็จะมีความเห็นที่ถูกต้องเมื่อมีความเห็นที่ถูกต้องเราก็จะดำเนินชีวิตของเราไปด้วยความถูกต้องไม่มีความผิดพลาดไม่มีความเสียใจที่จะตามมาภายหลังการฟังธรรมตามการ อยาน้อยก็คืออาทิตย์ละครั้งหนึ่งในวันพระก็ดีหรือในวันเวลาที่เรามีเวลาว่างเช่นวันเสาร์หรือวันอาทิตย์ค ว, ควรหาโอกาสฟังธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าสักครั้งหนึ่งเพราพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นก็ไม่ได้สอนเรื่องอะไรก็สอนแต่เรื่องของเราทั้งสิน้น เรื่องความสุขก็ดีความทุกข์ก็ดีนั้นอยู่ที่ตัวเราอยู่ที่ใจเราเป็นหลักใจเราเป็นตัวตัวตัวสาคัญที่สุดคือเป็นต้นเหตุและเป็นผู้รับผลต้นเหตุก็คือการกระทำความคิดต่างๆที่มีทั้งกุศลและอกุศล คือคิดดีก็มีคิดร้ายก็มีเมื่อคิดไปแล้วผลที่จะตามมาก็จะเกิดขึ้นในใจทันทีคือความสุขและความทุก์เวลาคิดดีใจก็มีความสุขเวลาคิดร้ายใจก็มีความทุกข์ดังนั้นจึงควรที่จะให้ความสนใจกับใจ มากกว่าสิ่งอื่นใดเวลาเราเห็นอะไรเราควรที่จะย้อนกลับมาดูที่ใจเราว่าใจเรามีปฏิกิริยากับสิ่งที่เราเห็นอย่างไรเราพอใจหรือไม่พอใจทั้งความพอใจและความไม่พอใจก็เป็นสิ่งที่จะทำให้จิตนั้นเกิดกุศล และอกุศลขึ้นมาได้สิ่งใดที่เราพอใจเราก็คิดแต่สิ่งที่ดีกับสิ่งนั้นใจเราก็มีความสุขเช่นเราเห็นคนที่เรารักเช่นบิดามารดาของเราเราก็ระลึกถึงความมีพระคุณของท่านเหล่านั้นเมื่อเราเระลึกถึงพระคุณของท่าน เราก็มีความสำนึกในบุญในคุณมีความปรารถนาที่จะทดแทนบุญคุณที่ท่านมีกับเราถ้าคิดแบบนี้ใจของเราก็จะมีความสุขแต่ถ้าเรามองคนแล้วเราเกิดความไม่พอใจเพราะว่าเขาไม่ได้กระทาตาม ความต้องการของเราเราก็เกิดความโกรธเกิดความแค้นขึ้นมาถ้าเราไม่ดูที่ใจเราเราจะไม่รู้ว่าความโกรธความแค้นของเรานั้นเป็นอกุศลเป็นโทษเป็นภัยเพราะเป็นเหมือนกับไฟที่กำลังเผาแผลนจิตใจของเราแทนที่เราจะรีบรั ง, งับดับ ความโกรธความแค้นซึ่งเปรียบเหมือนกับไฟที่กำลังเผาเราอยู่เรากลับไปมีเรื่องมีราวกับคนที่เขาสร้างความไม่พอใจให้กับเรายิ่งไปมีเรื่องมีราวกับคนนั้นความแค้นความโกรธก็จะทวีคูณเพิ่มขึ้นไปทำให้จิตใจยิ่งมีความทุกข์มากขึ้นไปเสีย อ, อีก นี่เป็นเพราะว่าเราไม่ดูใจของเราเพราะเรามัวแต่ไปดูคนที่เขาสร้างความทุกข์ความไม่พอใจให้กับเรานั่นเองถ้าเราได้เข้าวัดเข้าวาได้ฟังเทศฟังธรรมเราจะรู้ว่าสิ่งที่สําคัญกว่าสิ่งภายนอกก็คือสิ่งภายในก็คือความรู้สึกภายในใจของเรา ว่าใจของเราในขณะนี้กำลังเป็นฟืนเป็นไฟหรือกำลังเย็นยังสงบอยู่ถ้าคนที่เขาสร้างความไม่พอใจให้กับเราแต่เรามีสติเราพบเขาแทนที่เราจะโกรธเขาเรากับทำใจให้สงบเพราะเรารู้ว่าความไม่พอใจที่ทำให้เราเกิดความโกรธนี้เป็นเป็นสิ่งที่ไม่ดี เป็นพิษเป็นภัยกับใจของเราเราต้องอยอมรับความเป็นจริงของเขาเขาจะทำอะไรอย่างไรเราไปควบคุมไปบังคับไปห้ามเขาไม่ได้แต่สิ่งที่เราห้ามได้คือใจของเราถ้าใจของเราไม่ไปสนใจไม่ไปแยแสเขาจะทำอย่างไรก็ไม่มีปัญหาอะไรใจของเราก็จะสงบนิ่ง ที่เกิดปัญหาเพราะเราไปมีความหวังมีความต้องการในตัวเขานั่นเองเช่นเราต้องการให้เขาทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดให้กับเราแล้ว เ, เขาไม่สามารถตอบสนองทำตามที่เราต้องการได้เราก็เกิดความผิดหวังเมื่อเกิดความผิดหวังก็เกิดความไม่พอใจเกิดความเสียใจขึ้นมา อย่างนี้เป็นความคิ ด, คดที่ไม่ดีเป็นความคิดที่สร้างความทุกข์ให้กับเราทางที่ดีเราอย่าไปหวังอะไรกับผู้อื่นพยายามทําทในสิ่งที่เราทําได้หวังในสิ่งที่เราทําได้คือยึดตนเป็นที่พึ่งของตนเป็นหลักต้องการอะไรก็หามาด้วยลําแข้งลําขา หามาด้วยสติปัญญาของตนถ้าหามาไม่ได้ด้วยลำแข้งลำขาด้วยสติปัญญาของตนก็อย่าไปเอาเสียเลยดีกว่าคนเราไม่มีสิ่งต่างๆภายนอกนั้นก็ไม่ทำให้เราลายไปหลอกและเราก็ไม่ได้มีความสุขมากไปกว่าการที่เราไม่มีอะไร แต่นี่เป็นสิ่งที่เราไม่รู้กันเราคิดว่าเมื่อเราต้องการอะไรเราก็ต้องหามาให้ได้เพราะเราคิดว่าเมื่อได้มาแล้วจะทำให้เรามีความสุขแต่เราหารู้ไม่ว่ามันเป็นความสุขแค่ชั่วขณะหนึ่งเมื่ออยากจะได้อะไรมาก็เกิดความดิ้นรนที่จะต้องไป หาสิ่งนั้นมาเมื่อได้มาแล้วก็มีความพออกพอใจมีความดีอกดีใจอยู่สักระยะหนึ่งหลังจากนั้นแล้วก็เกิดความชินชาเกิดความจำเป็ก็ไม่มีความรู้สึกว่าต้องการสิ่งนั้นอีกแต่ถ้าไปเห็นสิ่งที่เป็นสิ่งใหม่ออกมาอีกก็เกิดความอยากขึ้นมาอีก ความสุขที่เคยได้จากสิ่งที่เคยอยากแล้วได้มานั้นก็หมดไปเพราะมีสิ่งใหม่ๆออกมาท้าทายความอยากของเราอีกทำให้เกิดความต้องการแล้วถ้าไม่ได้ก็จะมีความหงุดหงิดใจจะต้องออกไปแสวงหามาให้ได้เมื่อได้มาแล้วก็จะเป็นแบบเดิมอีกคือก็มีความดีใจไปสักระยะหนึ่ง แล้วก็จะหมดไปแล้วก็เกิดความอยากขึ้นมาใหม่นี่คือเรื่องของใจของเราที่ถูกอำนาจของความหลงของความอยากผลักดันไปแต่ถ้าเรารู้ว่าความอยากนี้เป็นสิ่งที่มีทั้งสิ่งที่จำเป็นและสิ่งที่ไม่จำเป็น เราควรจะใช้ปัญญาแยกแยะคือสิ่งที่มีความจำเป็นต่อการดำรงชีพหรือเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อการบำรุงสุขดับทุกข์ในใจของเราสิ่งที่เราต้องการนั้นก็เป็นสิ่งที่จำเป็นเราก็ควรที่จะหามาสิ่งที่เราต้องการ แต่มันไม่มีความจำเป็นต่อการดำรงชีพหรือต่อการดับทุก์ในใจของเราสิ่งนั้นเราไม่มีก็ไม่ไม่เป็นไม่เป็นปัญหาอะไรเช่นเวลาเราต้องการรับประทานอาหารเรารู้ว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นเพราะถ้าร่างกายไม่ได้รับประทานอาหารก็จะต้องเกิดความชำรุดทุดโทรง เกิดความเจ็บไข้ได้ป่วยและถ้าขาดอาหารมากๆกก็จะถึงแก่ความตายได้อาหารจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นแต่อาหารก็มีประมาณคือร่างกายก็ต้องการอาหารในระดับหนึ่งถ้ามากไปกว่านั้นก็ไม่เกิดประโยชน์อะไร แต่กับจะเกิดโทษทำให้ร่างกายมีน้ําหนักมากเกินความจำเป็นทำให้เกิดมีโรคภัยไข้เจ็บเบียด เ, เบียนต่างๆเพราะร่างกายต้องทำงานหนักกว่าที่ควรจะทำนั่นเองแล้วทำไมคนเราบางครั้งถึงต้องรับประทานอาหารมากกว่าความจำเป็นก็เพราะไม่ดูที่ใจของเราเวลาใจเกิดความอยาก ก็หลงตางความอยากนั้นใจสั่งให้รับประทานอาหารเพิ่มขึ้นอีกก็รับประทานไป ท, ทั้งทั้งที่ไม่มีความจำเป็นแต่เพราะ <c oughs> ไม่รู้ไม่เห็นโทษของการรับประทานหารมากเกินความจำเป็นนั่นเองแต่ถ้ามีปัญญารู้ว่าร่างกายเราอยู่ได้ด้วยอาหารประมาณมากน้อยเพียงไรแล้วคอยควบคุม ให้ได้อาหารตามความต้องการของร่างกายไม่ให้เกินความจำเป็นร่างกายก็จะอยู่ได้อย่างปลอดภัยคือจะไม่มีโรคภัยเบียดเบียนจากการรับประทานอาหารเกิน ค, ความจำเป็นนี่คือการใช้ปัญญาในการ <c oughs> ดำรงชีวิตของเราในขณะที่เกิดความอยากต่างๆขึ้นมา ให้ใช้ปัญญาเข้าไปแยกแยะไปดูว่าจำเป็นที่จะต้องมีหรือไม่จำเป็นที่จะต้องทำหรือไม่ถ้าไม่จำเป็นต้องมีไม่จำเป็นต้องทำก็อย่าไปมีอย่าไปทำมันจะดีกว่าเพราะการแสวงหาสิ่งต่างๆนั้นเป็นสิ่งที่ลำบากต้องมีการต่อสู้ต้องมีการหาเงินหาทอง ต้องมีการทำงานทำการมีความเหนื่อยยากลำบากลำบนแล้วได้สิ่งที่ไม่มีคุณค่ามาได้สิ่งที่ไม่ใช่เป็นความสุขที่แท้จริงมาให้ก็เป็นการไปไปหาสิ่งที่เป็นของกลอมนั่นเองเป็นของที่ไม่ใช่เป็นของจริงเช่นความสุขต่างๆที่เราแสวงหากันจากวัตถุต่างๆ จากสิ่งของต่างๆจากการกระทำต่างๆนั้นล้วนเป็นของปลอมทั้งสิน้นเพราะเราหามาได้มากน้อยเพียงไรความสุขที่เราต้องการนั้นก็ไม่เคยอิ่มไม่เคยพอสักทีต้องหามาใหม่ๆอยู่เรื่อยเพราะสิ่งเหล่านั้นไม่ใช่เป็นความสุขที่แท้จริงนั่นเองถ้าเราต้องการความสุขที่แท้จริง เราต้องเข้าหาพระศาสนาเพราะเรามีบุคคลที่ได้พบความสุขที่แท้จริงแล้วนำมาเผยแผ่ให้พวกเราทราบบุคคลนั้นก็คือพระพุทธเจ้าของเรานี่เองท่านเป็นบุคคลแรกในโลกนี้ที่ได้ค้นพบความสุขที่แท้จริงว่าอยู่ในใจของเราอยู่ในใจที่สงบอยู่ในใจที่ชนะ ความอยากต่างๆที่ไม่จำเป็นต่อการดำรงชีพพระพุทธเจ้าไม่ได้ห้ามให้เราอยากในเรื่องปัจจัยสี่เช่นเราต้องการเสื้อผ้าใสเพราะเสื้อผ้าเก่าที่เรามีนั้นมันขาดหรือมันตัวมันเล็กไปใส่ไม่ได้แล้วจำเป็นต้องมีใหม่ก็ต้องหามาอาหารเราก็ต้องหามารับประทาน บ้านเราก็ต้องมีอยู่ยาเราก็ต้องมีรักษาโรคภยครัยไข้เจ็บเวลาที่เกิดขึ้นสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นสิ่งที่เป็นสิ่งที่จำเป็นต่อการดำรงชีพเราต้องมีสิ่งเหล่านี้แต่นอกเหนือจากสิ่งเหล่านี้ไปแล้วถามจริงๆว่าจำเป็นไหมเช่นโทรทัศน์วิทยุโรงหนังโรงละครสถานบันเทิงต่างๆ มีความจำเป็นต่อการดำรงชีพของเราหรือไม่ถ้าเราไม่มีสิ่งเหล่านั้นเราจะตายจากโลงนี้ไปหรือไม่เราก็รู้ว่าไม่ไม่มีสิ่งเหล่านั้นเราก็อยู่ได้ถ้ามีสิ่งเหล่านั้นมันก็ไม่ได้ทําให้เรามีความสุขมีความอิ่มมีความพอต่อให้มีมากเพียงไรก็ไม่สามารถดับความอยากความต้องการได้ เพาความอยากความต้องการนั้นไม่ได้ดับด้วยการแสวงหาสิ่งต่างๆเหล่านั้นแต่ต้องเกิดจากการต่อสู้ระ ง, งับดับด้วยการฝึกฝนอบรมจิตใจตามแนวทางที่พระพุทธเจ้าได้ทรงฝึกฝนอบรมมา <c oughs> คือต้องลดละความต้องการความอยากในสิ่งที่ไม่จําเป็นต่อการดํารงชีพ พยายามอยู่แบบสมถะอยู่แบบเรียบง่ายเอาเท่าที่จำเป็นก็พอแล้วพยายามฝึกฝนทำจิตใจให้สงบด้วยการควบคุมดูแลจิตใจด้วยสติอย่าปล่อยให้จิตคิดไปตามอำนาจความหลงความต้องการต่างๆคอยควบคุมจิตให้อยู่ในคำสั่งของเรา เช่นในเบื้องต้นให้ฝึกจิตให้อยู่กับบทสวดมนต์วันหนึ่งลองฝึกนั่งสวดมนต์ดูสวดบทไหนก็ได้ไม่ต้องสวดบทยาวมากก็ได้เพียงแต่ให้สวดซ้าๆบ่อยๆจะสวดบทอีปีปิโสไปวันละ50าจบ100จบก็ได้เวลาที่เรามีเวลาว่างไม่จำเป็นที่จะต้องใช้ใจเรา ไปคิดในเรื่องราวต่างๆแทนที่จะปล่อยให้ใจคิดไปเรื่อยเปือ่อยลองนำมาควบคุมให้อยู่ภายใต้การควบคุมของใจของเราด้วยการให้อยู่กับบทสวดมนต์หรือจะให้อยู่กับคำบริกรรมคำใดคำหนึ่งก็ได้เช่นพุทโธพุทโธลองกาหนดระลึกคำว่าพุทโธ อยู่ในใจไปเรื่อยๆไม่ต้องไปคิดเรื่องอื่นถ้าไม่จำเป็นที่จะต้องคิดเรื่องอะไรอย่าไปคิดขอให้เราสมวนความคิดไว้ประหยัดความคิดคิดในสิ่งที่จำเป็นถ้าไม่จำเป็นแล้วก็อย่าไปคิดปล่อยให้เรื่องราวต่างๆในเรื่องนี้เขาเป็นไปตามเรื่องของเขาเถิดเพราะเราไปคิดมากก็ทำให้เราฟุ้งซ่านทำให้เรากินไม่ได้นอนไม่หลับ เพราะเราคิดไม่เป็นคิดไม่ถูกนั่นเองแต่ถ้าเราควบคุมใจของเราได้แล้วต่อไปเราสามารถควบคุมบังคับให้ใจเราคิดในเรื่องต่างๆที่เราต้องการให้คิดได้เรื่องที่เราไม่ต้องการให้คิดเราก็สามารถระ ง, งับดับได้ใจก็เป็นเหมือนกับรถยนต์คันหนึ่งถ้าเราไม่รู้จักขับรถยนต์คันนั้น เราจะไม่สามารถควบคุมรถยนต์ให้อยู่ภายใต้การบังคับของเราได้เวลารถวิ่งเราต้องการให้จอดเราจะไม่รู้วิธีทําให้รถนั้นจอดหรือเวลารถจอดอยู่เราต้องการให้รถวิ่งเราก็จะไม่รู้จักวิธีเพราะเราไม่เคยศึกษาเล่าเรียนวิธีการขับรถนั่นเองแต่ถ้าเราได้ไปศึกษาขับวิธีการขับรถ ว่าการขับรถที่ถูกต้องที่ปลอดภัยนั้นขับอย่างไรเมื่อเรารู้แล้วเราก็สามารถนำรถยนต์คันนั้นไปไหนมาไหนได้ด้วยความปลอดภัยด้วยความด้วยสวัสดิภาพใจของเราก็เป็นรถยนต์คันหนึ่งที่เราสามารถควบคุมบังคับให้เป็นไปในความต้องการของเราได้ถ้าเรารู้จักขับใจของเรา แต่ถ้าเราไม่รู้จักขับใจของเราเราขับแบบคนที่ไม่เข้าใจเราก็จะไม่สามารถควบคุมใจของเราได้ mm. เช่นเวลามีความโกรธเราก็รู้ว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ดีเพราะเวลาเราโกรธนี้ใครที่จะทุกข์ถ้าไม่ใช่ตัวเราเองแต่เราก็หยุดใจของเราไม่ให้โกรธไม่ได้เวลาเกิดความโลภ เราก็รู้ว่าสิ่งที่เราต้องการนั้นมันไม่มีความจำเป็นเลยแต่เราก็หักห้ามใจของเราไม่ได้ก็เพราะว่าเราไม่เคยรู้จักวิธีการหยุดใจของเรานั่นเองเรารู้แต่วิธีเหยียบคันเร่งของใจเวลาต้องการอะไรก็ลุยเลยเวลาโกรธใครก็ลุยเลยอย่างนี้ตลอดเวลาไม่มีการยับยัง้งไม่มีการหยุด แล้วผลเป็นยังไงหลังจากที่เกิดความโกรธแล้วไปลุยกับคนอื่นเขาก็ต้องมีเรื่องมีราวมีการทะเลาะเบาแววงมีการทำร้ายร่างกายแล้วก็ต้องขึ้นลงขึ้นศาลติดคุกติดตารางเสียคาปรับเสียเงินเสียทองโดยใช่เเพราะเราไม่รู้จักควบคุมใจของเรานั่นเองพระพุทธศาสนาจิงสอนให้เรา ควบคุมใจเราเป็นสาคัญในเบื้องต้นก็ให้ควบคุมที่การกระทําทางกายก่อนเพราะการกระทําทางกายและการกระทําทางวาจา ก, ก็ออกมาจากใจใจเป็นผู้สั่งเวลาเราจะลุกขึ้นเราก็ต้องใจก็ต้องสั่งให้ลุกขึ้นร่างกายนี้ถึงจะลุกขึ้นได้เวลาจะพูดอะไรใจก็ต้องคิดเสียก่อนถึงจะพูดออกมาได้ ดังนั้นในเบื้องต้นก็ต้องตั้งกรอบไว้ตั้งรั้วไว้ไม่ให้ใจสั่งการกระทาทางกายทางวาจาที่เมื่อทาไปแล้วพูดไปแล้วจะเกิดโทษขึ้นมาเช่นห้ามไม่ให้ไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตห้ามไม่ให้ไปพูดปดดมดเท็จห้ามไม่ให้ไปรักทรัพย์ห้ามไม่ให้ไปประพฤติผิดโปรเเนี ห้ามไม่ให้ไปเสพสุรายาเาและอวัยามุฒต่างๆเพราะการกระทาเหล่านี้ร้วนจะทำให้เกิดโทษเกิดปัญหาเกิดความทุกข์กลับมาที่ใจเวลาเราไปทำผิดศีลแล้วเราจะต้องมีความเสียใจมีความทุกข์ตามมานี่คือเบื้องต้นเราต้องตั้งกรอบไว้ ว่าใจอยากจะทำอะไรก็ได้อยากจะมีอะไรก็ได้แต่ขอให้ทำขอให้หามาในกรอบที่ถูกต้องเช่นเราอยากจะมีภรรยาเราก็ต้องไปหาคนที่เขาไม่มีครูไม่มีคู่คือไม่มีสามีแลวก็ต้องขออนุญาตจากบิดามารดาของเขาเรียกว่าทำให้ถูกประเพณีนั่นเอง ไม่ให้ประพฤติผิดประเพณีเพราะเมื่อเราได้เขามาอย่างถูกต้องตามประเพณีแล้วก็จะไม่มีปัญหาไม่มีความทุกข์ตามมาเช่นเดียวกับเงินทองเท่าของต่างๆถ้าเราต้องการก็หามาด้วยความสุดจริญเช่นเราไปทํางานทําการรับเงินเดือนมาอย่าไปหามาด้วยการไปรักเล็กขโมยน้อย อย่างนี้เมื่อทำไปแล้วจะทำให้ใจเรามีความหวาดกลัวที่จะต้องถูกจับไปทำโทษต่อไปถ้าเราทำด้วยความสุจริตด้วยความถูกต้องแล้วใจของเราจะไม่มีความทุกข์จะไม่มีความหวั่นไหวเพราะจะไม่มีใครสามารถมาชี้หน้าเราบอกว่าเราทำผิดเราจะต้องถูกทำโทษอย่างนี้เขาไม่สามารถทำกับเราได้ เพราะเราไม่ได้ทำสิ่งที่ผิดนั่นเองเมื่อเราควบคุมการกระทำทางกายวาจ า, จ า, า, จาได้แล้วในลำดับต่อไปเราก็มาควบคุมความคิดของเราเราเคยคิดมัไหมว่ามีเรื่องบางเรื่องเราไม่อยากจะคิดเลยเพราะคิดไปทีไรก็มีแต่ความเศร้าโศกเสียใจแต่ก็อดคิดไม่ได้เพราะเราหาเบรกไม่เจอ เราไม่รู้จักวิธีหยุดความคิดของใจเรานั่นเองแต่ถ้าเราฝึกทำสมาธิเช่นคอยกำหนดใจให้อยู่กับบทสวดมนต์ก็ดีบทบริกมพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธไปก็ดีถ้าเราทำได้แล้วต่อไปสมมติว่าใจเราไปคิดถึงเรื่องอะไรสักเรื่องหนึ่งแล้วทำให้เราเกิดความว่าวุ่นขุ่นโมวขึ้นมาเราก็หยุดได้ ด้วยการหันมาระลึกถึงคําพุโทโธพุธโทโธไปในใจเปรียบเหมือนกับเวลาที่เราดูโทรทัศน์เราเห็น ร, รายการโทรทัศน์ช่องนี้เราไม่ชอบใจถ้าเรารู้จักวิธีเปลี่ยนช่องเราก็กดรีโมทมันก็เปลี่ยนไปช่องอื่นได้แต่ถ้าเราไม่รู้จักวิธีเปลี่ยนช่องก็ต้องทนดูกับรายการที่เราไม่ต้องการจะดูเพราะเราไม่รู้จักวิธีเปลี่ยนช่อง ด้วยรีโมทนั่นเองใจของเราก็เป็นเหมือนกับโทรทัศน์ที่มีรายการต่างๆปรากฏขึ้นมาอยู่ตลอดเวลามีทั้งรายการเศร้าโศกเสียใจรายการดีอกดีใจรายการโกรธแค้นอาฆาตพยาบาทมันเกิดขึ้นจากความคิดของเราทั้งสิน้นแต่ถ้าเราไม่รู้จักวิธีเปลี่ยนช่องของใจเช่นเวลาคิดเรื่องอะไรแล้วเกิดความว้าหุ่นขุง เกิดความเดือดร้อนใจขึ้นมาเราก็จะไม่รู้จักวิธี <c oughs> เปลี่ยนช่องแต่ถ้าเราเคยฝึกหัดทาสมาธิคือฝึกบริกรรมพุทโธพุทโธไปเ ร, เรื่อยๆืหรือฝึกไหว้พระสวดมนต์ไปอยู่อย่างสม่ำเสมอวันไหนมีความไม่สบายใจกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งก็ สวดมนต์ไปเรื่อยๆสวดไปแล้วอย่าไปคิดถึงเรื่องที่ทำให้เราไม่สบายใจนี่เป็นการเปลี่ยนช่องเปลี่ยนรายการรายการที่มันสร้างความวุ่นวายใจสร้างความเศร้าหมองสร้างความเสียใจก็อย่าไปดูมันอย่าไปคิดถึงมันหันมาอยู่ที่การสวดมนต์ไปเรื่อยๆสวดอิทีปิโสไปสักห้าสิบจบเดี๋ยวก็ลืมแล้วเรื่องต่างๆที่เราไปคิดถึงมัน เรื่องที่เราคิดส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องที่มันเกิดขึ้นแล้วทั้งนั้นเราก็ไปแก้ไขอะไรไม่ได้เช่นใครเข้ามาพูดไม่ดีมา ด, ามาด่ามาดุมาว่าเราเราก็เกิดความโกรธแค้นโกรธชังเขาขึ้นมาแต่มันก็เกิดไปแล้วเราก็ไปห้ามเขาไม่ได้แต่บางทีเราก็มานั่งคิดถึงเรื่องนั้นอยู่ทั้งวันทั้งคืนเพราะเราไม่รู้จักวิธีระงับดับความคิดนั้นเองแต่ถ้าเราได้เคยฝึกทา ทำสมาธิอยู่ตลอดเวลาแล้วต่อไปเวลามีเรื่องอะไรที่มาสร้างความไม่สบาย อ, อกไม่สบายใจให้กับเราเราก็สามารถที่จะลืมได้ด้วยการสวดมนต์ที่เราเคยสวดหรือบริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธอย่างที่เราเคยบริกรรมถ้าทําไปแล้วเรื่องราวต่างๆที่สร้างความไม่สบาย อ, อก ไม่สบายใจก็จะหายออกไปจากใจทั้งๆ ท, ที่เรื่องเหล่านั้นจะยังจะมีอยู่หรือไม่มีอยู่ก็ไม่สําคัญถ้าตราบใดเราไม่เอาเข้ามาในใจแล้วไม่มีปัญหาอะไรเหมือนกับไฟไฟมันจะไหม้ที่ไหนก็ไม่เป็นปัญหาอะไรถ้าเราไม่เอาไฟเข้ามาไหม้ในบ้านของเราบ้านของเราก็ปลอดภัยนะใจก็เป็นเช่นนั้นส่วนใหญ่เรามักชอบไปเอาไฟเข้ามาเผาตัวเราเอง เพราะเวลาเราเห็นอะไรที่เราไม่ชอบได้ยินอะไรที่เราไม่ชอบแทนที่จะลืมมันทั้งๆ ท, ท, ที่มันก็ผ่านไปแล้วเรากลับลืมมันไม่ได้เพราะใจเรามีกิเลสที่เรียกว่าอุปาทานอุปาทานก็คือความยึดมั่นถือมั่นเหมือนกับกาวตาช้างเวลาไปติดกับอะไรไว้แล้วมันติดหนึบเลยถอนออกมาดึงออกมาไม่ออก เพราะความเหนียวแน่นของอุปทานนี้เองนี่เป็นปัญหาของชีวิตของพวกเราแต่เราโชคดีเรานั่นมาเจอพระพุทธศาสนาที่สอนวิธีการถอดถอนอุปทานทั้งหลายด้วยการฝึกจิตสอนให้เรารู้จักควบคุมบังคับจิตใจของเราเวลาจิตของเราไปติดไปผูกพันกับเรื่องอะไรที่สร้างความว้าวุ่นขุ่นบัวสร้างความทุกข์ขึ้นมาก็ให้เรา เดนความสนใจออกจากเรื่องนั่นเสียให้กลับมาสู่งานที่เราเคยสอนให้จิตทำถ้าเราเคยจำนานกับการไหว้พระสวดมนต์เราก็สวดมนต์ไปเราไม่ต้องมีห้องพระก็ได้